ที่ว่าสามายิกะเจโตวิมุตเป็นของโชคลาวกําเริบคือเสื่อมถอยได้ขึ้นต่อเหตุปัจจัยต่างๆนั้นเหตุปัจจัยเหล่านี้อาจแบ่งได้เป็นสามพวกพวกที่หนึ่งคือกิเลสในรูปต่างๆเช่นอาสวะเป็นต้นที่ยังไม่ได้กําจัดให้หมดสิ้นไปเพียงถูกกดข่มทับหรือทำให้ราบคาบสงบนิ่งไปจึงแฝงตัวรอคอยเวลาอยู่เช่น เวลาที่ถูกเยาหยวนยั่วยุเวลาที่ปัจจัยฝ่ายสนับสนุนเช่นศรัทธาอ่อนกำลังลงเป็นต้นเหตุปัจจัยต่างๆที่ทําให้เจโตวิมุตเสื่อมพวกที่สองคือเหตุปัจจัยฝ่ายปรุงแต่งหรือเกื้อกูลสนับสนุนเช่นศรัทธาคือความเชื่อความเลื่อมใสฉันทะคือความชอบใจพอใจความตั้งใจความฝ่ายนิยมและความเพียรเป็นต้น เมื่อใดเหตุปัจจัยฝ่ายนี้เสื่อมลงหมดไปหรืออ่อนกำลังลงเจโตวิมุตตก็ย่อมเสื่อมถอยไปด้วยปัจจัยฝ่ายสนับสนุนนี้อาจเสื่อมไปได้แม้เพราะสิ่งที่ดีงามถูกต้องเช่นครั้งหนึ่งเคยมีศรัทธาแรงกล้าต่อสิ่งหนึ่งจนจิตน้อมดิ่งไปเกิดพลังจิตอุทิศ ต, ตัวต่อสิ่งนั้นได้แต่ศรัทธานั้นปราศจากปัญญาไม่ประกอบด้วยเหตุผล ต่อมาได้ความรู้ที่ทําให้เกิดปัญญารู้ว่าสิ่งที่ตนเชื่ออยู่นั้นไม่ถูกต้องศรัทธาที่มีอยู่ก็เสื่อมถอยจิตก็ไม่น้อมดิ่งไปเป็นต้นเหตุปัจจัยต่างๆที่ทําให้เจโตวิมุติเสื่อมพวกที่สาคือเหตุปัจจัยแวดล้อมอย่างอื่นแม้เป็นเรื่องทางด้านร่างกายหรือวัตถุภายนอกเช่นโรคภัยไข้เจ็บความไม่สะดวกความเป็นอยู่ที่ลําบากแร้นแค้นเช่นขาดแคลนอาหารเป็นต้น ในทางปฏิบัติเหตุปัจจัยทั้งสามนี้มักสัมผั์กันเหมือนเป็นอันเดียวเช่นเกิดความลำบากขึ้นทำให้ความตั้งใจอ่อนลงกิเลสคือความฟุ้งซ่านหงุดหงิดท้อถอยลังเลเป็นต้นก็เกิดขึ้นเจโตบิมุตก็เสื่อมหายตัวอย่างเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้อ้างอิงบอกที่มาไว้บ้างแล้วแต่มีตัวอย่างบางเรื่องในบาลีที่น่าสนใจจึงขอนามาเล่าประกอบไปบ้างดังนี้ เรื่องที่หนึ่งในโคธิกะสูตรสั่งยุตนิกายสคาทวักเล่าตามบาลีโดยอาศัยอั ธ, ธกถาเชื่อมความว่าพระภิกษุชื่อว่าโคธิกะบำเพ็ญเพียรอย่างจริงจังจนได้สามายิกะเจโตวิมุตต์คือโลกิยะสมาบัติแต่ท่านได้รับความทรมานจากโรคเรื้อรังประจำตัวอย่างหนึ่งต่อมาท่านจึงเสื่อมจากเจโตวิมุต t นั้น ท่านตั้งใจบำเพ็ญเพียรจริงจังได้ได้เจโตวิมุต t นั้นอีกแต่แล้วก็เสื่อมอีกกลับไปกลับมาเช่นนี้ถึงหครั้งครั้นได้เจโตวิมุตใหม่อีกเป็นครั้งที่เจ็ท่านจึงคิดว่าท่านคงจะเสื่อมจากมันอีกเหมือนครั้งก่อนๆดังนั้นควรจะตายเสียระหว่างที่ยังได้อยู่นั้นดีกว่าตายเมื่อเสื่อมจากมันไปตอนนี้อัตถกถาว่าท่านคิดว่า ถ้าตายตอนฌานเสื่อมแล้วก็ไม่แน่ว่าจะได้ไปเกิดที่ไหนถ้าตายในเวลาที่ฌานยังอยู่ก็แน่ใจได้ว่าจะไปเกิดในพรหมโลกท่านจึงเอาสัตรามาฆ่าตัวตายแต่ครั้นทำร้ายตนเองแล้วนอนได้รับทุกขเวทนาอยู่ท่านตั้งสติได้กําหนดพิจารณาเวทนาเจริญกรรมฐานเลยได้บรรลุอราัตผลปรินิพาน อีกแห่งหนึ่งในนิวาประสูตรมัชฌิมนิกายมูลปัญ น, นาตตรัสถึงสมณะพรามบางพวกซึ่งคิดว่าถ้าตนจะยุ่งเกี่ยวกับการมคุณอยู่ในโลกก็จะเกิดความมัวเมาประมาทแล้วก็จะตกอยู่ใต้อำนาจของมานจึงสลัการมคุณออกไปอาศัยอยู่ในป่าบริโภคผักผลไม้ตามีตามได้ต่อมาถึงเวลาแห้งแหลงหาอาหารยากอดอยากเข้า ร่างกายสู้ผอมหมดเรี่ยวแรงเจโตวิมุตคือความปรงจิตปรงใจน้อมดิ่งไปว่าจะอยู่ป่าหรือความรักที่จะอยู่ป่าแต่เดิมนั้นก็เสื่อมหายเวียนกลับมาหากามมคุณมัวเมาอยู่ในโลกต่อไปอีกเรื่องทั้งสองข้างต้นซึ่งแสดงความเสื่อมของเจโตวิมุตในระดับที่ต่างกันนี้ยกมาพอเป็นตัวอย่างสำหรับเทียบเคียงเพื่อให้มองเห็นรูปร่างของเจโตวิมุต และหนทางที่เจโตวิมุตนั้นอาจจะเสื่อมไปได้อย่างไร